ปัญหาที่13ถามลักษณะสมาธิข้าแต่พระนาคเษนสมาธิมีลักษณะอย่างไรมหาราชสมาธิมีการเป็นหัวหน้าเป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายมีสมาธิเป็นหัวหน้าน้อมไปในสมาธิน้อมไปในสมาธิ เงื้อมไปในสมาธิขอถวายพระพรขอหนิมนุปมาพระผู้เป็นเจ้าอุปมากรแห่งเรือนยอดขอถวายพระพรเช่นเดียวกับกรแห่งเรือนยอดทั้งหลายย่อมไปรวมอยู่ที่ยอดน้อมไปที่ยอดน้มไปที่ยอดเงื้อมไปที่ยอดชัด้นใดกุศลธรรมทั้งหลายก็มีสมาธิเป็นหัวหน้าน้อมไปในสมาธิ น้อมไปในสมาธิเงื้อมไปในสมาธิฉันนั้นนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาพระราชามหาราชาเวลาพระราชาเสด็จออกสงครามพร้อมด้วยจัตตุรงค์เสนานั้นเสนาทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลายช้างมา้ารถพลเดินเท้าทั้งหลาย ก็มีพระราชาเป็นหัวหน้าน้อมไปในพระราชาน้มไปในพระราชาเงื้อมไปในพระราชาห้อมล้อมพระราชาฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายก็มีสมาธิเป็นหัวหน้าน้อมไปในสมาธิน้มไปในสมาธิเงื้อมไปในสมาธิฉันนั้นอย่างนี้แหละมหาบพิธชื่อว่าสมาธิมีความเป็นหัวหน้าเป็นลักษณะ ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระมหาบุรีตัดไว้ว่าสมาธิพิกะเวภาเวทะสมาธิโกพิขุยถาพูดตังประชานาติดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอบรมสมาธิภิกษุผู้ได้สมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงดังนี้ขอถวายพระพร ถูกต้องดีแล้วพระนาคเสนปัญหาที่ 14. ถามลักษณะปัญญาข้าแต่พระนาคเสนปัญญามีลักษณะอย่างไรมหาราชะปัญญามีการตัดเป็นลักษณะตามที่อัตมภาพได้ถวายวิสัชนาไว้แล้วอีกประการหนึ่งปัญญามีการทำให้สว่างเป็นลักษณะ ขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญญามีการทำให้สว่างเป็นลักษณะอย่างไรมหาราชะปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็กำจัดเครื่องทำให้มืดคืออวิชชาทำให้เกิดความสว่างคือวิชชาทำให้เกิดความแจ่มแจ้งคือญาณทำให้อริยสัจตรากฏลำดับนั้น พโยคาวจรก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาขอถวายพระพรขอพระคุณเจ้าได้โปรดอุปมาอุปมาผู้ส่องประทีปมหาราชะเปรียบปานบุรุษส่องประทีปเข้าไปในเรือนที่มืดแสงประทีปย่อมกำจัดความมืดทำให้เกิดความสว่างทำให้รูปทั้งหลายปรากฏชั้นใด ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็กำจัดความมืดคืออวิชชาทำให้เกิดแสงสว่างคือวิชาทำให้เกิดความเจีมแจ้งคือญาณทำให้อริยสัจทั้งหลายปรากฏลำดับนั้นพระโยคาวาจรก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาฉันนั้นอย่างนี้แหละมหาบุพพิธชื่อว่าปัญญามีการทำให้สว่างเป็นลักษณะขอถวายพระพร ถูกแล้วพระนาคเสนดีกามิรินอธิบายคำว่าปัญญาอันชอบได้แก่ปัญญาอันเกิดจากวิปัสสนาญาณปัญหาที่15ช้าถามหน้าที่แห่งธรรมต่างๆกันข้าแต่พระนาคเสนทำเหล่านี้มีอยู่ต่างๆกันแต่ให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันหรือ อย่างนั้นมหาบพิษทาเหล่านี้มีอยู่ต่างๆกันแต่ให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสเหมือนกันขอถวายพระพรขอนิมนุปปมาณด้วยอุปมาเสนาต่างๆมหาราชเสนามีหน้าที่ต่างๆกันคือเสนาช้างเสนาม้าเสนารถเสนาพลเดินเท้า เสนาเหล่านั้นย่อมให้ความสำเร็จสงครามอย่างเดียวกันย่อมชนะเสนาฝ่ายอื่นในสงครามอย่างเดียวกันฉั้นใดทำเหล่านี้ถึงมีอยู่ต่างๆกันก็ให้สำเร็จประโยชน์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสอย่างเดียวกันขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาสมควรแล้วจบวรที่หนึ่งสรุปความ คำว่าธรรมเหล่านี้หมายถึงธรรมที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นคือมณสิการมีลักษณะถือไว้กุศลธรรมอื่นๆได้แก่ศีลและอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามีลักษณะดังนี้ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งศรัทธามีลักษณะพองใสและแล่นไป วิริยะมีลักษณะคำจุนไว้สติมีลักษณะเตือนและถือไว้สมาธิมีลักษณะเป็นหัวหน้าปัญญามีลักษณะตัดและทำให้สว่างจึงขอลำดับความสัมพันธ์ของธรรมเหล่านี้ว่ามีหน้าที่ต่างกันอย่างไรพโยคาวจรวังที่จะปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุก์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยธรรมเหล่านี้คือหนึ่งมานสิกา์คือคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้จะต้องตายเป็นธรมรมดา 2. สองศีลจะรักษาให้บริสุทธิ์ไว้เสมอ 3. สศรัทธามีความเลื่อมใสในคุณพพุทธคุณพระธรรมและพระอริยสงฆ์วังปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานต่อไป 4. วิริยะทำความเพียรแต่พอดี 5. สตินึกเตือนตนเองไว้เสมอว่าเราจะต้องตายจะมีศีลบริสุทธิ์จะเคารพในพรนะรัตนตัยและมีนิพพานเป็นอารมณ์ 6. สมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาตามอัธยาศัย 7. ปัญญาพิจารณาสักกายทิฐิ ไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแล้วตัดอวิชชาเราไม่มีฉันทะคือความพอใจและราคะคือความยินดีในมนุษยโลกเทวโลกและพมะโลกเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานทำเหล่านี้จึงมีหน้าที่ต่างๆกันแต่มุ่งประโยชน์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสให้เป็นสมุทจะเฉดประหารตามที่ท่านได้อุปมาไว้ชั้นใด เสนาช้างมา้ารถพลเดินเท้าเสนาเหล่านั้นย่อมช่วยกันทำสงครามเพื่อที่จะมีชัยชนะต่อฆ่าศึกศัตรูก็มีอุปมาฉันนั้นรวมความว่าปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมานี้เป็นปัญหาที่พระเจ้ามิลินถามพระนาคเสนถึงวิธีปฏิบัติที่จะไม่เกิดอีกว่าจะต้องประกอบด้วยทำอะไรบ้าง หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจตามที่ได้สรุปความมาให้ทราบนี้